กลอย่างคงเวียนมุนไปนกยังตะโกนร้องเพลงคนยังมีลมหายใจฝน ย, ยังเทลงมาเะเลยังพาหัวายมากองตรงหน้าเธอมีดอกไม้สวยงามความรักยังเขียนข้างเธอเจวัน<ส>น<ะ>ี้<สะ> ที่ทำให้เธอต้องกลัวยังมีฟ้าสีครามความรักยังมีดอกตัว คำยืนยันที่ฉันยังมีให้เธอรักมันไม่เคยเดินหนีไปยังคงอยู่เป็นเพื่อนเธอสายลมยังพัดไปไม่มีอะไรที่ทำให้เธอต้องกลัวยังมีฟ้าสีครามความรักยังมีรอบตัว t o a need. ตรงนี้หัวใจยังมีให้กันมีดอกไม้สวยงามและความเข้าใจไม่ว่าไรดีรดีความรักยังมีให้เธอ